ปาจิตติรัตนวัต์ที่เก้าสิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่ได้รับบอกก่อนเก้าลวงธรณีเข้าไปในห้องของพระราชาผู้กษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษแล้วที่พระราชายังไม่เสด็จออกที่รัตนะยังไม่ออกเป็นปาจิตติคำว่าของพระราชาผู้กษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษแล้วนั้น กล่าวตามประเพณีของบ้านเมืองก็แบ่งคนเป็นสีเหล่าคือกษัตริย์ผู้ป้องกันบ้านเมืองเหล่าหนึง่งพราหม์ผู้ฝึกสอนเหล่านึงแพทย์ผู้ค้าขายเหล่านึงสูตรผู้เป็นลูกจ้างเหล่านึงพวกกษัตริย์และพวกพราหม์จัดว่าเป็นพวกมีสกุลคนในพวกนั้นสมสู่กันในพวกของตนเองเช่นผู้เป็นกษัตริย์ก็คงหานางกษัตริย์ตรีเป็นคู่ พราหมณ์ก็คงหานางพระมณีเป็นคู่ไม่สมสู่ด้วยหญิงในสกุลต่ำลงมาเชื้อสายที่สืบลงมาจากท่านผู้เป็นเทือกเทาได้เจ็ดชั่วไม่ป่าปนถือว่าเป็นคนมีสกุลอย่างสูงในพวกของตนพวกกษัตริย์นั้นตรงกับพวกเจ้ามีหัวนหน้าในพวกของตนมียศเป็นพระราชาผู้ครองแผ่นดินเมื่อกษัตริย์ผู้หนึ่งจะรับยศนั้น มีพิธีสมมุติด้วยหลังน้ำลงบนพระเศียรหรือด้วยให้สงสนารทั่วพระองค์ตั้งแต่พระเศียรลงมาอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่ามุรธาพิเศกรั้นได้รับสมมุติอย่างนี้แล้วจัดว่าเป็นพระราชาเต็มที่คําว่ามุรธาพิเศกเป็นคําที่ใช้ในปัจจุบันฉบับดั้งเดิมนั้นใช้คําว่ามฤุธาพิเศษ ซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับในสิกขาบทนี้กล่าวถึงพระราชาชาติกษัตริย์ผู้ไดรับมูรธาพิเศษแล้วอย่างนั้น<อ>เพื่อจะแสดงว่าไม่หมายเอากษริที่เป็นเพียงชั้นเจ้าไม่พึงเข้าใจว่าหมายเอากษริที่สืบเนื่องไม่ลักลั่นมาเจ็ดชั่วแม้หากจะเป็นกษัตริย์พึงตั้งพระวงใหม่ และรับสมมุติโดยวิธีอื่นก็นับว่าเป็นพระราชาในสิกขาบทนี้บทว่าที่รัตนะยังไม่ออกนั้นบาลีแห่งสิกขาบทนี้เรียกพระมเหสีว่ารัตนะพระมเหสีอันเป็นคู่ควรแก่พระราชาจัดว่าเป็นรัตนะประการหนึ่งส่งเคราะห์เข้าในรัตนเจ็ดของพระเจ้าจากักรพรรดิราช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 และแก้ต่อไปว่าในที่ใดที่หนึ่งก็ตามที่แต่งพระที่พทมหรือที่บรรทมของพระราชาไว้โดยที่สุดแม้วงด้วยม่านถ้าสิกขาบทที่สามแห่งจาริตวัคหรืออเจละกะวกัค์้าไม่ให้เข้านั่งแทรกแซงในสกุลที่มีแต่สามีกับภรรยาสิกขาบทนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องบัญญัติซ้ำข้าพเจ้าจึงเห็นความว่า สิกขาบทโน้นอามการนั่งแท็กแซงในเวลาขับริโภคอาหารปาจิตติรัตนวัตรสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดเก็บเอาก็ดีให้เก็บเอาก็ดีซึ่งรัตนะก็ดีซึ่งของที่สมมุติว่ารัตนาก็ดีเว้นไว้แต่ในวัดที่อยู่ก็ดี ในที่อยู่พักก็ดีเป็นปาจิตตีแลาภิกษุเก็บเอาก็ดีให้เก็บเอาก็ดีซึ่งรัตนะก็ดีซึ่งของที่สมมุติว่ารัตนะก็ดีในวัดที่อยู่ก็ดีในที่อยู่พักก็ดีแล้วพึงเก็บไปด้วยหมายว่าของผู้ใดผู้นั้นจะได้เอาไปนี้เป็นสามีจิกรรมคือการกระทำที่เหมาะควรในเรื่องนั้น รัตนนั้นได้แก่ทองเงินและเพชรพลอยของที่สมมุติว่ารัตนนั้นคือไม่ใช่ของที่เป็นตัวรัตนแท้เป็นของทรรมเทียมเช่นของรูปประพันธ์อันชุบทองชุบเงินและของเครื่องประดับเช่นฝังพลอยหุงหมายความตลอดมาถึงเครื่องใช้สอยของคนทั่วไปของเหล่านี้ตกอยู่ในที่อื่นนอกจากวัดและที่พัก ห้ามไม่ให้ภิกษุเก็บเอาโดยถือว่าเป็นของเก็บได้ก็ตามโดยหมายจะให้เจ้าของก็ตามเพราะการเก็บของเช่นนี้มีทางจะต้องสำนองอาจถูกสงสัยในโจรกรรมก็ได้คำว่าสำนองแปลว่ารับผิดชอบต้องรับใช้หรือตอบแทนคนมักง่ายมักถือว่าเป็นลาบ แต่เป็นการเสียอยู่ธรรมเนียมบ้านเมืองในบนัดนี้ผู้เก็บของตกได้ต้องเอาไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในกองรักษาภิกษุฝ่าฟื้นสิกขาบทนี้ต้องปาจิตติในอัธกถากล่าวว่าถ้าของนั้นเป็นนิสักียวัตถุต้องนิสักียปาจิตติถ้าภิกษุไม่ต้องสำนองเพราะของนั้นต่อไป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 รัตนะเป็นอนามาติคือวัตถุอันภิกษุไม่ควรจับต้องก็ชื่อว่าได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเพื่อจับถือได้หากมีใครมาตามเอาว่าเป็นเจ้าของอย่าพึ่งให้ไปโดยง่ายผิดตัวจะต้องสำนองคือต้องรับผิดชอบต้องรับใช้เหมือนกันพึงไล่เลียงให้เชื่อได้ก่อนจึงให้ในคำภีวิพังแน่ว้ว่า ให้กำหนดจำรูปหรือเครื่องหมายอย่างอื่นไว้ถ้ามีใครมาตามเอาพึงสอบถามถ้าเขาบอกรูปหรือเครื่องหมายถูกต้องจึงให้ถ้าบอกไม่ถูกพึงบอกให้เขาหาเอาเองจะหลีกไปจากอาวาสนั้นพึงมอบไว้ในมือแห่งภิกษุผู้สมควรถ้าไม่มีภิกษุผู้สมควรจะรับไว้พึงมอบไว้ในมือเขา้ายหากบดีผู้สมควร คาแนะนำนี้กล่าวชอบเป็นหลักฐานของตกอยู่ในอารามหรือในที่พักภิกษุไม่เก็บไว้ชื่อว่าลักกิจวัตรท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฎในสิกขาบทนี้พระอัฏถกถาจารย์ทรงเคราะห์การรับของฝากของข้าเรือหัสเก็บไว้ด้วยอธิบายตามเขานี้มากมาย การรับของฝากของเขาหรือหัสเก็บไว้นั้นบางคราวก็นำมาซึ่งความเสียหายได้เหมือนกันแม้อย่างนั้นก็ต่างประเภทจากการเก็บของตกเห็นจัดเข้าพวกกันไม่ได้ปาจิตติรัตนวัชสิกขาบทที่สมว่าอันหนึ่งภิกษุใด ไม่อำลาภิกษุผู้มีอยู่แล้วเข้าไปสู่บ้านในเวลาวิกาลเว้นไว้แต่กิจรีบคือธุระร้อนมีอย่างนั้นเป็นรูปเป็นปาจิตติเวลาวิกาลในสิกขาบทนี้น่าจะหมายเอาเวลาค่ำเพราะสิกขาบทห้ามการเที่ยวในสกุลในจาริตวัคคืออันเจละกะวัค ก, กล่าวเวลาบ่ายว่าปัชชาพัท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 อันจะถึงความสิ้นชีวิตได้โดยรวดเร็วจะรีบเข้าไปหายาหรือไปหาหมอหรือไปตามหมอหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นข้างวัดจะรีบไปพาคนมาช่วยระวังก็ส่งเคราะห์เข้าในกิจรีบนี้ได้อยู่รูปเดียวไม่มีภิกษุอื่นในวัดไปได้เข้าบ้านในการไม่ต้องอัมลาเพราะสิกขาบทนี้ เข้าในวิการแต่อาลาแล้วหรือเพราะกิจรีบไม่เป็นอาบัติเดินไปตามทางอันผ่านบ้านไม่ได้แวะและไปสู่อารามอื่นไม่ห้ามปาจิตติรัตนวั์สิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ทำกล่องเข็ม แล้วด้วยกระดูกก็ดีแล้วด้วยงาก็ดีแล้วด้วยเขาก็ดีเป็นปาจิตติให้ต่อยเสียนิทานคือเหตุที่มาต้นบัญญัติกล่าวว่าภิกษุเกิดเล่นกล่องเข็มกันขึ้นจึงได้ทรงบัญญัติห้ามเพื่อจะตัดการรบกวนช่างกลึงเพราะเหตุนั้นสิกขาบทนี้จึงเป็นบัญญัติเฉพาะเรื่อง ให้ทำเองเป็นปาจิตตีต้องต่อยกล่องเข็มนั้นให้แตกเสียก่อนจึงแสดงอาบัตได้หมายเหตุการต่อยนั้นคือการทุบทำลายแม้โดยไม้หรือวัสดุอื่นก็ได้ปาจิตตีชนิดนี้เรียกเพททันกาปาจิตตี คืออาบัตปาจิตตีที่ต้องทำลายสิ่งของที่เป็นเหตุให้ต้องอาบัตเสก่อนจึงแสดงอาบัตได้มีสิกขาบทเดียวเท่านี้ได้กล่องเข็มเช่นนั้นอันคนอื่นทำไว้แล้วมาใช้สอยเป็นกล่องเข็มต้องทุกกรเพราะในสิกขาบทกล่าวถึงกล่องเข็มอย่างเดียวของอื่นเช่นลูกดุมลูกถวิลตะบันไฟหลักยาตา ไม้ปลายยาตาและอื่นๆนท่านอนุญาตแต่พึงเข้าใจว่าไม่ใช่ของที่เล่นหือกันถ้าทำขึ้นในเวลาที่เล่นหือกันอนุโลมตามต้นบัญญัติไม่พ้นจากทุกกฎกระมังปาชิตตีรัตนวั์ศิขาบทที่ห้าว่า อันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำเตียงก็ดีตังก็ดีใหม่คือสั่งให้ทำใหม่พึงทำให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วด้วยนิ้วสุขตเว้นไว้แต่แม่แกล้เบื้องต่ำเธอทำให้ล่วงประมาณนั้นไปเป็นปาจิตติให้ตัดเสียเตียงนั้นเป็นของที่ทำยาวพอนอนได้ตังนั้น เป็นของที่ทําสั้นไม่พอจะนอนใช้เป็นที่นั่งตรงกับมา้าทําเองก็ดีให้ทําก็ดีให้ล่วงประมาณต้องปาจิตตีต้องตัดเท้าเตียงเท้าตังซึ่งเกินประมาณนั้นเสียก่อนจึงแสดงอาบัติได้ปาจิตตีชนิดนี้เรียกเชยนกะปาจิตตีคืออาบัาติปาจิตตี ที่ต้องตัดสิ่งของที่เป็นเหตุให้ต้องอาบัตเสก่อนจึงแสดงอาบัตตกหรือพ้นจากอาบัตนั้นมีหลายสิขาบทนอกจากนี้กล่าวถึงผ้าทั้งนั้นได้ของที่เขาทำเกินประมาณไว้มาใช้สอยนั่งนอนทั้งอย่างนั้นต้องทุกกฎตัดเท้าให้ได้ประมาณเสก่อนใช้ได้ ส่วนม้าสี่เหลี่ยมพอเฉพาะก้นนั่งเรียกว่าอาสันธิและตังมีพนักสามด้านตรงกับเก้าอี้มีแขนเรียกสัตตังคะเป็นของที่ทรงอนุญาตไว้แผนหนึ่งและตังมีพนักด้านเดียวตรงกับเก้าอี้ไม่มีแขนเรียกปัญจังคะเป็นของอนุโลม สัตตังคะคือเก้าอี้มีแขนมีเท้าสูงกว่าประมาณก็ใช้ได้ปาจิตตีรัตนวั์ศิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ทำเตียงก็ดีตังก็ดีเป็นของหุ้มนุ่นคือยัดนุ่นเป็นปาจิตตีให้รื้อเสีย คำว่านุ่นนั้นหมายเอาของที่เป็นปุ๋ยเกิดจากต้นไม้เกิดจากเถาวัลยลแม้ดอกหญ้าเหล่าแม้ฝ้ายก็นับเข้าในนี้เตียงต่างหุ้มนุ่นนั้นเพิ่งเห็นดังเก้าอี้เบาปาจิตติรัตนวัคศิขาบทที่เจ็ดว่า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 ส่งอนุญาตเป็นบริการพิเศษอธิษฐานไว้ใช้ได้ผืนหนึ่งในสิกขาบทนี้มีกำหนดประมาณเดิมยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งภายหลังภิกษุอ้วนโตนั่งไม่พอส่งพระอนุญาตเพิ่มชาอีกคืบหนึ่งเพราะคำว่าคืบหนึ่งเฉยเฉยไม่มีว่าด้านยาวหรือด้านกว้างจึงพาให้นักวินัยสันนิษฐานต่างกัน ข้าพเจ้าจักยกไว้กล่าวถึงในหมวดบริการบริโภคในเล่มสองถ้าเพ่งว่าชายนั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้ต่อเพื่อจะได้พอนั่งก็น่าจะเข้าใจว่าให้ต่อด้านไหนแต่ถ้ากำหนดประมาณแห่งชายไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมก็เป็นข้อที่น่าจะดำริอยู่ อธิบายพึงรู้โดยในยะอันกล่าวแล้วในสิกขาบทที่ห้าปาจิตติรัตนวั์ในสิกขาบทที่แปดว่าอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำผ้าปิดฝีพึงทำให้ได้ประมาณนี้ประมาณในคำนั้นโดยยาวสี่คืบ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 มีจากัดประมาณไว้ในสิกขาบทนี้ปาจิตติรัตนวัคสิกขาบทที่9ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำผ้าอาบน้ำฝนพึงให้ทำให้ได้ประมาณนี้ประมาณในคำนั้นโดยยาวหกคืบโดยกว้างสองคืบครึ่งด้วยคืบสุคต เธอทำให้ล่วงประมาณนั้นเป็นปาจิตตีมีอันให้ตัดเสียเรื่องผ้าอับน้ำฝนนั้นได้กล่าวแล้วในสิกขาบทที่สี่แห่งปัตตวัคอันว่าด้วยการสแสวงหาและทำนุ่งปาจิตตีรัตนวัคสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใด ให้ทำจีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวอนหรือยิ่งกว่าเป็นปาจิตติมีอันให้ตัดเสียนี้ประมาณแห่งสุคตจีวอนของพระสุคตในคำนั้นโดยยาวเก้าคืบโดยกว้างหกคืบด้วยคืบสุคตอนุมาณตามส่วนนี้สมเด็จสันนิฐานว่าในครั้งก่อนคงใช้จีวอนเล็ก ขนาดผ้าห่มหนาวชนิดใหญ่หน่อยข้าพเจ้าจากงดไว้กล่าวในบริการบริโภคในเล่มสองสำหรับมาตราวัดเกี่ยวกับคืบสุคตนิ้วสุคตนั้นดูคำอธิบายโดยละเอียดได้าจากท้ายบทสรุปข้อห้ามในการ น, นี้ในหมวดอาบัติปาจิตติ การละเมิดข้อห้ามในการ น, นี้ให้ต้องอาบัติปาจิตติเสมอกันแม้อย่างนั้นความเสียยังยิ่งหย่อนกว่ากันมีชั้นของไม่ได้ประเคนกับพูดมูซาเป็นตัวอย่างภิกษุผู้ไม่ได้พิจารณาให้แจ้งอัทรตนี้ที่สัเพ่าก็จะสำคัญเห็นว่าล่วงได้ทั้งนั้นไม่เสียหายเพียงไรที่เกร่งก็จะถือเป็นสำคัญไปทุกอย่าง จนเสียความสะดวกข้าพระเจ้าปรารถนาจะให้ผู้ศึกษาวินัยอย่างเห็นอัธรสดยท่องแท้จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์จริงๆจึงแสดงข้อห้ามในการนี้จัดเป็นหมวดตามความเสียหนักเบาอย่างไรวางไว้พอเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นทางสันนิษฐานดังต่อไปนี้ 1. ข้องันอทาให้เป็นคนเลว คือกล่าวมุสากล่าวซอเสียดดื่มสุราเมรยัยโจย์ด้วยสังฆาทิเศษไม่มีมูล 2. ข้อแสดงความดุร้ายคือกล่าววาจาเสียดแทงให้เจ็บใจให้ประหารเงื้อมือทำอาการดุดเช่นนั้นค่าสัต์ดิรฉาน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 เห็นของตกถือเอาเป็นของเก็บได้สี่ข้ออันสอความสุขสนคือเล่นจี้เล่นน้ำหลอนภิกษุสอนของเพื่อล้อเล่นพูดเย้าให้เกิดรำคาญห้า ขออันทมให้เสียกิริยาคือรับนิมนต์ฉันไว้ก่อนแล้วไปฉันในที่นิมนต์ที่หลังไม่แบ่งขนมที่เข้าถวายมามากมายแก่ภิกษุอื่นเข้าไปนั่งแทรกแซงในสกุลที่เขากำลังบริโภคอาหารรับประวารณาเกินกำหนดบริโภคจจวรซึ่งวิกับไว้อันยังไม่ได้ถอน น้อมลาบที่เขาจะถวายสง์มาเพื่อบุคคลติเตียนภิกษุเจ้าหน้าที่ผู้ทากิจสง์ไม่เอื้อเฟือในพระวินัยให้ฉันทะคือยอมให้สงทำสังฆกรรมด้วยความพอใจเพื่อกร ม, มันเป็นธรรมแล้วบ่นว่าเมื่อภายหลังคุยอธิกรขึ้นทำไหม เมื่อสงกําลังวินิจฉัยกิจการอยู่ไม่ให้ฉันทะลุกไปเสียพร้อมใจกับสงให้จีวรแก่ภิกษุรูปหนึ่งแล้วบ่นว่าเมื่อภายหลัง 6. ข้ออันสอความสะเพร่าคือเอาเสนาสนะของสงไปตั้งใช้ในที่แจ้งแล้วไม่เก็บ เอาที่นอนปูไว้ในวิหารของสงฆ์ให้กีดขวางที่เอาน้ามีตัวสัตว์เทรถหญ้ารถดินบริโภคน้ามีตัวสัตว์ 7. ข้อที่ล่วงแล้วให้เสียธรรมเนียมของภิกษุคือนอนร่วมกับอนุปสมบันิขุดดินปรากภูตะคาม ฉันชณะโภชนะอ้ามโภชนะแล้วกลับฉันอีกฉันอาหารในวิการฉันอาหารเป็นสันนิธิคือของเคี้ยวของฉันที่รับประเคียนแล้วเก็บไว้ค้างคืนเพื่อจะฉันในวันรุ่งึ้นฉันของไม่ได้รับประเคนขอโภชนะอันประนีตไม่เจ็บและผิงไฟนุ่งห่มผ้าไม่ได้ทำพินทุ ไม่บอกลาก่อนเข้าบ้านในวิการทำกล่องเข็มงาหรือจากกระดูกสัตว์ทำเตียงต่างมีเท้าสูงกว่าประมาณทำเตียงต่างหุ้มนุ่นทำจีวรและผ้าบริคารบางอย่างให้ล่วงประมาณพระศาสดาทรงบัญญัติศิขาบทเพื่อจะป้องกันโทษเหล่านี้และนำความดีงามมาแก่สาวก